ผู้โทรสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะรายการสันสานิสนทนานะคะมาต้อนรับท่านทั้งหลายด้วยการนําเอาธรรมะมาให้ในยามเช้าแล้วให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมด้วยตัวของท่านเองเพื่อเป็นกุศลที่เป็นเนื้อนาบุญของตัวท่านกันในรายการของเราเลยด้วยคะ่ะดิฉันสันสานินาภงเป็นผู้ ด, ดําเนินรายการทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟรอยหกนะคะมีพระมหาไพบูุญอภิปุณโณ ท่านผู้อเมรกาหลักสูตรอีกเรนของวัดป่าดอนหายโศจะมาเป็นผู้ที่ให้ธรรมะกับพวกเราในตอนต้นของรายการเตรียมตัวปฏิบัติธรรมกับรายการได้เลยนะคะส่วนในวันนี้ดิฉันบอกตั้งแต่ตอนต้นภาพยนตร์ที่เพิ่งโดนแบนไปชื่อดังมากคืออาบัตเนี่ยนะคะเราก็จะคุยกันเรื่องอาบัตด เ, เหมือนกันเพื่อให้อยู่ในยุค ในสมัยโปรดคอยติดตามแต่ว่าตอนนี้ไปกราบนัสกสการท่านปิบูรณ์กันก่อนนะคะนัสกสการก์ท่านคะเยีิยมปานเรามาเริ่มการฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมกันเลยโดยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ตั้งสติขึ้นเอาไว้จะทํากิจกรรมใดๆอยู่ก็าตามไม่ว่าจะอยู่กําลังเดินทางอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่แต่สติที่เราตั้งขึ้นนั้นเรามีเครื่องมือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ให้ไว้ ในว่าเป็นเครื่องมือไว้อย่างหนึ่งในหลายๆอย่างก็คือลมหายใจเราให้ใช้ลมหายใจของเรามาเป็นฐานที่ตั้งให้จิตของเรานั้นมีที่ตั้งที่ระลึกถึงสัพที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือสติปัฐานคือฐานที่ตั้งแห่งสติฐานที่ตั้งแห่งสตินั้นก็คือลมหายใจของเราลมหายใจของเราที่หายใจเข้าหายใจออกอยังเป็นธรรมชาติธรรมดานี่ให้เรามาลึกถึงมานึกถึง คำว่าระลึกถึงนึกถึงนั้นก็คือคิดถึงนั่นเองอย่างเวลาที่เราคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เอาในที่นี้ตอนนี้ให้เราหมายคิดถึงนึกถึงระลึกถึงเรื่องของลงหมหายใจแต่ตรงไหนก็แน่ที่ว่าลหมหายใจเนี่ยมันตรงไหนเพราะว่ามันเข้ามันออกมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าก็ให้ไว้ที่ตรงตำแหน่งที่เรียกว่าเฉพาะหน้าคำนี้คือหมายถึงทางเข้าทางออกของลงหมหายใจนั่นเอง บริเวณที่เป็นทางเข้าทางออกของลงหมหายใจก็คือจมูกของเราต้นเองในโพรงจมูกเนี่ยจะเป็นบริเวณที่อากาศมันจะเข้าไปอากาศมันจะออกมาแต่เข้าไปแล้วมันทําปฏิกิริยายัางไงกัน็อีกเรื่องหนึ่งออกไปแล้วมันจะไปสังเคราะห์แสงยังไงนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่บริเวณทางที่เข้าที่ออกตรงเนี้ยให้เราตั้งจิตไว้ณที่ตําแหน่งนั้นแต่พูดกันง่ายๆก็คือว่าตําแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นเวลาที่เราดมของหอมหรือดมของเหม็น ดมกลิ่นอาหารดมกลิ um ่นดอกไม้ใดๆก็ตามเราสามารถจะรับรู้ถึงกลิ่นเนี่ยได้ที่ตรงไหนให้เอาจิตของเราตั้งไว้ณท <Un> ี่ตรงนั้นคําว่าเอาจิตตั้งไว้ณที่ตรงนั้นเนี่ยก็คือให้จิตมาอยู่ที่นี่ให้จิตมาระลึกถึงที่นี่ให้มีการจดจ่ออยู่ที่นี่ให้มีการกําหนดไว้ณที่ตําแหน่งนี้คําว่ากําหนดก็ตามระลึกถึงก็ตามคิดถึงก็ตามจดจ่ออยู่ก็ตามพวกนี้จะมีความหมายที่คล้ายคลึงกันก็คือให้เราตั้งสติขึ้น ในขณะที่เราตั้งสติขึ้นอย่างนี้เราจะทํากิจกรรมอะไรจะลืมตายัางไงจะพูดกับใครได้ท่านั้นนะจิตให้มาอยู่ที่นี่อย่างเดียวและในขณะที่เราตั้งสติขึ้นไปนี้เมื่อดีเรากอาจจะมีความคิดนึกนั่นนี้โ น, น่นอันนี้เป็นวิตกวิจารณ์อันนี้มีได้ในสมาธิช น, นิดที่มีวิตกวิจาร์ก็มีได้หรืออาจารได้ยินเสียงมีความรู้สึกทางกายร้อนบ้างเย็นบ้างอันนี้ก็ธรรมดารู้สึกได้เพราะว่าเรามีกาย ในขณะเดียว ก, กันจิตเนยอย่าให้เป็นผู้ที่ลืมหลงลงมหายใจพระบริจาบอกว่าให้เป็นผู้ที่มีสติไม่ลืมหลงให้มีกายสงบระ ง, งับไม่กระวนกระบายให้มีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวเพราะว่าในขณะที่จิตเรามีสติไม่ลืมหลงเนี่ยสติที่เกิดขึ้นนี้จะสามารถที่จะรักษาจิตของเราได้คือถ้าจิตของเรามาอยู่กับลมหายใจจิตที่มาอยู่กับลมหายใจนี้จะเกิดสติขึ้นมาทันทีสติที่เกิดขึ้นนี้ จะรักษาจิตเพรประชาเปรียดเหมือนกับนายทวารนายทวารคือคนเฝ้าประตูเนี่ยหรือว่ายามเนี่ยถ้ามาอยู่ที่บริเวณประตูนายามนะมาอยู่ที่บริเวณประตูแล้วไม่หลับในนะแล้ว a ิ e r t อยู่ตลอดเวลาคอยดูคนเข้าคนออกสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความปลอดภัยความปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับอาคารหรือกับสิ่งที่ยามมันก็เฝ้าอยู่แต่เช่นเดียวกันจิตของเรานํามาอยู่ที่ลหมหายใจสิ่งที่เกิดขึ้นคือสติ สตินี้จะรักษาความปลอดภัยให้กับจิตของเราได้เวลาที่จิตของเรามันจะไปคิดเรื่องที่มันไม่ดีเรื่องที่มันเป็นจะทําให้เราเจ็บจาน้ําใจเรื่องที่จะเป็นไปนในทางกอกุศลมีความกังวลมีความง่วงซึมเป็นต้นเนี่ยถ้าบอกว่าสติของเรามีกําลังแล้วมันจะรักษาไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาได้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนเฝ้าประตูหรือพยามหรือนายทวานนี่แหละถ้าเป็นคนฉลาด เป็นนายทวันที่ฉลาดไม่หลับในไม่เดินไปน่นนี่โน่นแต่คอยเฝ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะรู้ว่าคนนี้ควรเข้าคนนี้ไม่ควรเข้าจะสามารถสกัดกันได้เช่ในเดียวการจิตที่มีความคิดนึกนั่นนี่น่นถ้าเรามีสติตั้งไว้รักษาไว้จะสามารถจะสกัดกั้นสิ่งที่เป็นอ ก, กุศลธรรมได้สามารถที่จะป้องกันสิ่งที่เป็นอ ก, กุศลไม่ให้มันมากลือกลวยในจิตจิตที่เป็นอย่างนี้มีกุศลธรรมอยู่ในใจแล้วเนี่ย สามารถที่จะทํากิจการงานใดๆคิดนึกสิ่งใดจะพูดสิ่งใดเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นกุศลตลอดคนข้างเคียงก็จะได้รับประโยชน์จากการที่เราเจริญสติด้วยพระบรมเจ้าจึงตรัสไว้แต่บอกว่าถ้าเราต้องการรักษาผู้อื่นก็ให้เจริญสติปัฏานด้วยเพราะว่าเวลาที่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมีการไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะมีความรักใคร่ผู้อื่นจะมีความกรุณากับผู้อื่นะมีสิ่งที่เป็นเมตตากรุณาออกไปจากใจของเราเออกไปจากกายของเรา เอาไปจากบาจากของเราให้กับผู้อื่นได้เพราะงั้นการที่เราตั้งสติไว้ทั้งวันนี้เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนจริลมปนมาทุกค่ะก็ทํากันนะคะยิ่งฝึกนานก็จะยิ่งทําให้เกิดความชํานาญใช่การที่สติตั้งมั่นก็จะตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นถูกต้องได้นานขึ้นต่อเนื่องแล้วก็มีกําลังด้วยค่ะอันี้ก็เป็นภาษาของ เขาพูดถองค์ระมิชานี่มีกําลังด้วยใช่เป็นกําลั ง, ลงอ่ากำลังคือสติแต่ท่านจะตราก็ อ, อย่างนี้ค่ะท่านคะเดี๋ยนได้เกลื่อนไปตอนต้นรายการนะคะพอดีเห็นเขาพูดถึงกันเยอะนักถงที่หน้าหนึ่งนี่ลงทั้งหมดอ่ามีอยู่ในบทสนทนาคือการที่ภาพยนตร์เรื่องอาบัตยามบาอ่าถูกแบนถูกแบนก็แปลว่าถูกห้ามไม่หมให้ฉายแต่เขาก็จะอุทหนุนได้ ทีนี้ในรายการของเราเนี่ยนะคะจะว่าไปอาบัตนี่เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาถูกไหมคะใช่ใช่เพราะไม่เคยได้ยินคําว่าอาบัต์ในศาสนาอื่นแต่อะไรก็ตา ม, มก็คิดว่าเป็นโอกาสนะคะเราคงจะไม่คุยเรื่องหนังอะไรมากนะแต่อยากให้คนทั้งหลายนได้มีโอกาสทราบว่าแล้วมันยังไงละ่ะอาบัตเนี่ย ค, คืออะไรคืออะไรกันแน่ใช่ไหมโอเคค่ะพระพุทธองค์บัญญัติไว้หรือว่ามีมาก่อนสมัยพระพุทธองค์คะโอเคและคืออะไร คำนี้มาจากภาษาบาลีก่อนนะคำว่าอาบัติเนี่ยเก็บ<ฆ>เป็นภาษาไทยมาจากภาษาบาลีเนี่ยเขาจะใช้คําว่าอาปติก็คืออา อ, า อ, า อ, าา อ, าอ่างสาราอีเหมือนกันบใบไม้เนี่เปลีป่ยนเป็นปอปลาแล้วก็มีตอเต่าสองตัวแล้วสรารีเนี่ยย้ายไปอยู่ตัวตัวข้างหลังก็คืออา<ฆ>่านว่าอาปตินะคํานี้ใช่อาปติอาปฏิเนี่ยแปลว่าคือการต้องโทษทางวินัยคือการถึงคือความผิดนั่นแหละพูด ง, ง่ายๆนะ<ฆ>คือ คุณมีใครเตรียรพวกนี้โดนหมดพพกๆอาบคุณถึงแล้ต้องอาบัตและเป็นความผิดละเขาจะใช้คํานี้ต้องอาบัตหรือว่าถึงซึ่งความผิดคำนี้จะหมายถึงความอย่างนี้ค่ะตันี้คําว่าอาบัตเนี่ยเป็นลักษณะของการถึงจุดตรงนี้ที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นอกุศลธรรธมเนี่ยเป็นลักษณะที่เริ่มมีเริ่มมีในสมัยพุท ธ, ธกาลเริ่มมีในสมัยพุท ธ, ธกาลเมื่อมีภิกษุ ท, ที่ประพฤติย่อหย่อน เข้ามาบวชมากขึ้นแต่ตรงนี้คือเรื่องของสัจธรรมเนี่ยเริ่มมีการปฏิรูปไปแล้วนะคือพระพุทธเจ้านะลองนึกถึงสมัยพุทธกาลนะนะเทศครั้งแรกที่ป่าอีสีปตนามฤคตยวันใช่ไหมมีพิกษุแค่ห้ารูปแล้วหรูปนั้นเป็นพระอรหันต์หมดถูกปะเอาก็เทศต่อไปบทที่สองเทศเรื่องทานบ้างเรื่องศีลบ้างคําสอนจากวันที่1ก็เป็นวันที่สองเนี่ก็ค่อยมากขึ้นคือสิกขาบทมีมากขึ้นไปวันที่สมเทศมากขึ้นไปอีกให้ยะกุลบุตรฟัง เออก็มีสาวกเพิ่มขึ้นคําสอนก็มากขึ้นแต่วันที่4ีก็เทศไปอาจจะซ้ํากับวันที่2บ้างวันที่1บ้างก็มีคนที่ได้ฟังใหม่ๆก็มาเป็นสาวกเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคือสิขาบทเพิ่มขึ้นะสาวกก็เพิ่มขึ้นทีนี้ความที่สาวกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยที่ปฏิบัติ ด, ดีตอนแรกๆ ก, ก็จะเป็นอย่างนั้นเนทีนี้พอมีสาวกเพิ่มขึ้นที่ปฏิบัติได้ไม่ดีก็มีเข้ามาที่ปฏิบัติได้ไม่ดีก็มีเข้ามาทําให้สัดส่วนระหว่างสาวกที่เป็นพรระอ ปฏิบัติถึงที่สุดแล้วเนี่ยลดลงพระอรหันเนี่ ย, าายลดลงจากจากมนวนสาวกทั้งหมดถ้าเทียบเป็นเปอร์เซนต์เอชนะทั้งที่คำสอนกลับมีมากขึ้นเอ๊แต่ทำไมสาวกเนี่ยผู้ที่เป็นบรรลุพระอาหารหันเนี่ยกลับลดน้อยลงอันนี้คือสิ่งที่ท่านพระกัตสปะท่านพระมาหากัสปะเนี่ยเข้าไปตามพระพุทธเจ้าด้วยอันนี้คือมีที่มาอยู่ในสัทธรรมปฏิรูปนะชื่อว่าสัทธรรมปฏิรูปเนี่ยคือ คำว่าปฏิรูปเนี่ยความหมายที่2ก็คือของปลอมนั่นเองคือของปลอมนั่นเองคือพอเริ่มมีสาวกที่ทําไมด่ดีมีอยู่ในธรรมวินัยก็เริ่มมีของที่มันไม่ดีเกิดขึ้นก็จึงเริ่มมีการใช้คำว่าอาปติขึ้นมาคือมีความผิดทีนี้คำเนี้ยคำเนี้ยเนี่ยนะเอาเอาพูดถึงหลักในการใช้ซะก่อนหลักในการใช้ซะก่อนหลักในการใช้ก็คือว่าเป็นการบ่งบอก แตคุณคุณยอมเตี๋ยวจำคันนี้เลยนะหลังในการ <ฮะ S 1> ใช้ก็คือการบ่งบอกว่าคุณผิดหรือคุณไม่ผิดแต่คานี้ไม่ใช่บทลงโทษนะคํำนี้หมายถึงการบ่งบอกเฉยๆว่าคุณผิดหรือคุณไม่ผิดแต่คาว่า <ฮะ S 1> ต้องอาบัตนั่คือความหมายของคำมันเลยก็คือว่าถึงแล้วถึงจุดที่ผิดแล้วแต่นี้ไม่ใช่บทลงโทษนะเพราะฉะนั้นไอ <ฮะ S 1> ้ที่ว่าถึงจุดที่ผิดแล้วเนี่ยมันก็จะมีถึงจุดที่ผิดเป็นระดับระดับไปแตถ้าสูงสุดผิดถึงจุดนี้เนี่ยแกไม่ได้นะ คุณตอกจากความเป็นพระเขาก็จะเรียกว่าปาราชิกคือผู้พ่ายแพ้ถึงจุดความผิดตรงนี้นะอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบทลงโทษนะแต่เป็นบอกจุดระดับความผิดแล้วต้องแก้อย่างไงก็จะบอกเอาไว้แต่สมมุติว่าถ้าคุณผิดถึงระดับนี้ชื่อของความผิดระดับนี้เขาเรียกว่าปาจิตตีนะปาจิตตีเนี่ยคือทํากุศลธรรมให้ตกลุ่มลงไปวิธีแก้ทํำยังไงเอาคุณก็ไปบอกเพื่อนอเพื่อนที่เป็นพระด้วยกันเนี่ยว่าเอ้ ย, อยฉันฆ่ามดนะจงใจฆ่าด้วย ต่อไปจะไม่ทําอีกนะเขาก็จะโอเครับทราบคุณอย่าทําอีกนะก็รับทราบกันอันนี้คือการปรงอาบัต <c oughs> ก็จะมีศัพท์คําที่2ขึ้นมานะคำว่าปรงอาบัตนะปรงอาบัตินี่คือหมายความว่าคือคุณรู้แล้วว่าคุณต้องความผิดนะคุณถึงความผิดนะเอารับทราบแล้วองั้นก็ตั้งใจทําใหม่จบนี่คือลักษณะของการปรงอาบัตคือแก้่คือแก้ไม่ใช่ว่าเป็นการบดลงโทษนะเพราะฉะนั้น <c oughs> ชื่ออาบัตอย่างที่เราเคยได้ยินอะ่อประปาราชิกสังฆาที่เซปาาจิตีอะไรพวกเนี้ย ไม่ได้เป็นบทลงโทษไม่ใช่บทลงโทษแต่เป็นตัวบอกระดับของความผิดเท่านั้นเองว่าความผิดประเภทนี้ประเภทนี้คุณต้องแก้อย่างนี้อย่างนี้ก็แค่นั้นเองค่ ะ, ะค่ะงั้นก็กล่าวโดยสรุปแค่นี้ก่อนนะคะว่าอาบัติเนี่ยเป็นเรื่องของอ่าการที่จะบอกว่าถึงแล้วแห่งความผิดทั้งหลายใช่ไหมคะใช่แล้วก็ไม่ใช่เกิดขึ้นมาในตอนต้นที่มีพระพุทธเจ้า แต่มาเกิดในระยะหลังที่เวลานา น, านเข้านานเข้าปริวินายมากขึ้นพิกษุมากขึ้นก็มีการกทำผิดมากขึ้นสิบปีนี่แหละนะสิบปีหลังจากที่ตรัสสรูแล้วประมาณนี้นะถ้ามาจะไม่ผิด ม, มันก็ท้อนห้เห็นว่าวคนอยู่กันเยอะๆก็มีโอกาสที่จะทำผิดกันเยอะมากขึ้นอืมใช่ใช่ใช<ม>เพราะว่าคนที่บวช้ามาภายหลังเนี่ยความสามารถเขาไม่เท่ากัน คำว่าความสามารถเนี่ยคือหมายถึงว่าสามารถที่จะปฏิบัติตามธรรมวินัยได้ไม่เท่ากับคนที่เขาแบบมีกำลังจิตสูงเพราะฉะนั้นด้วยความสามารถที่ไม่เท่ากันเนี่ยทำให้ศีนย่อหย่อนบ้างมีคิดพิจารณาไปที่ไม่ตรงกับที่พระเจ้าบอกบ้างอันนี้ก็จึงมีเกิดขึ้นเมื่อมีคนมากขึ้นและอาบัตเนี่ยเป็นเพียงแค่บ่งบอกว่าได้ถึงความผิดแล้วแต่ในอาบัตนั้นยังได้แบ่งระดับของความผิด ก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของความผิดเป็นเช่นใดน้อยหรือค่อยๆมากขึ้นจนถึงมากที่สุดปาราทิคที่ว่าต้องพ้นจากความเป็นพระใช่ไหคะแต่ว่าในทุกๆระดับของความผิดนั้น<ง>ก็จะมีผลของการที่ภิกษุจะต้องกระทำ<ง>อาจจะเป็นการรับโท ษ, ถ, โทษถ้ารับโทษนี่คือปาราชิกไหมคะที่ออกจากความเะ็ะคือคืออันนี้ไม่ใช่ไนงะคือบทลงโทษเนี่ยไม่มีเลยเอาพูดง่ายๆนะ ในธรรมะวินัยนี้เนี่ยคุณยมติวไม่มีการใช้อาจยาไม่มีการใช้สัตระไม่มีการใช้อาจยาไม่ต้องพูดถึงการใช้สัตระไม่มีแน่นอนคําว่าอาจยาเนี่ยหมายถึงบทลงโทษเช่นถ้าเราเปรียบเทียบกับในทางทั้งโลกอะ่ะคุณมีกฎหมายกฎหมายอะไรกฎหมายแพ่งคุณก็มีบทลงโทษคือโทษตรับกฎหมายอาญาโทษติดคุกใช่ปะแต่ในธรรมะวินัยเนี่ยไม่มีการลงโทษแบบนั้นเอาแล้วตัวบทมียังไงอันในทางโลกคุณก็บอกว่า ประชาชนต้องทําอันนี้ถ้าคุณไม่ทําคุณต้องถูกปรับเท่านี้ไอ้ที่บอกให้ทําอันนี้เนี่ยอันนี้คือตัวบทอันนี้ตัวบทนะตัวบทแล้วถ้าไม่ทําคุณจะต้องถูกปรับเท่านี้อันนี้เรียกว่าบทลงโทษบทลงโทษตรงนี้คนเครียกเป็นอาญาอาญ า, าใครถืออาญานี้พระราชาถือพระราชาถืออาญานี้สั่งให้ใครทําก็สั่งให้พวกขุนนางทำพวกนายกพวกอสารต่างๆทําหน้าที่ตรงนี้คอยลงอาญา ทีนี้อาดยาเนี่ยบางทีก็เกี่ยวนเนื่องกับศาตราเช่นโทษติดคุกบ้างตัวประหารชีวิตบ้างใช่ไหมทีนี้ <ทะ S 1> เราเปรียบเทียบกลับมาในธรรมวไมนัยนะในคําสอนของพ <ทะ S 1> ระพุทธเจ้านะไม่มีอาดยาโอเคจบแต่ชี้ความผิดมีอยู่แล้วก็จะมีตัวบทที่บอกว่าคุณให้ทําอย่างนี้นะเอาคุณไม่ทําใช่ไหยคุณมีความผิดอย่างนี้แต่ไม่มีบทลงโทษไงไม่มีบทลงโทษโที่ว่าพระภิกสุจต้องไปวิทพื้นยี่สิบทีหรือจะต้องถูกตีเท่านั้นที่ไม่มีค่ะ ม, มันจบตรงนี้เลยแล้วถามว่าเขาจะได้รับอะไรพิสูุคนที่ทําไม่ดีรับผลของกรรมแน่นอนค่ะดังนั้นอย่างเช่นที่บอกว่าถ้าประราชิกคือการฆ่าอ่ะ น, นี้อันนี้คือวิธีแก้นะวิธีแก้เนี่ยสมมุติว่าถ้าคุณอาบัตมีความผิดต้องอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมระดับนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะด้วยความกรุณาของท่า น, นะคุณโยมติวนึ้อออกนะจะบอกวิธีแก้ให้ว่าเฮ้ยถ้าคุณเช่นคุณฆ่ามดมันผิดนะแต่คุณต้องแก้อย่างนี้ เราก็อย่าฆ่าอีกแล้วก็ไปปรงอ า, าบัติกับเพื่อนแต่วิธีกา ร, รแล้วลงโทษ่คุณจะถูกลงโทษยังไงพระพุทธเจ้มไม่ลงโทษให้เป็นเรื่องของกรรมให้เป็นเรื่องของกรรมไปอ่ะแต่ถ้าคุณไปเสพเมถุนหรือฆ่ามนุษย์โอ้มันแก애애้ไม่ได้แก้ไม่ได้คะอันนี้คุณต้องออกจากความเป็นพระเลยคือคือมันแก้ไม่ได้พระธรรมไม่ได้อ่ามันมันแก้ไม่ได้ไงคําว่าแก้ไม่ได้นี่ก็คือขาดจากความเป็นพระก็ไม่ใช่บทลงโทษอีกะแต่ว่ามันแก้ไม่ได้นึกออกนะอ่า เพราะนั้นหลักการของพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงจึงเป็นที่ไม่มีอาทยาไม่มีสัตระท่านธรรมะวินัยนี้ไม่ใช้อายาไม่ใช้สัตระเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้บทพยัญชนะใช้คําพูดให้ถูกต้องเวลาที่พระมีการพบว่าได้ทําผิดวินัยอืเราจะต้องใช้คําพูดว่าอาบัติอาบัติถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องอาบัติแล้ว งงแล้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ทํายังไงก็หมายแต่ละสมาคมเนี่ยก็มีส่วนที่ช่วยโดยสำนัก ง, งานพุทธศาสนาแห่งชาติถูกไหมก็ช่วยสนองงานคณะสงฆ์โดยการบางมาตราก็ออกเป็นกฎหมายทีนี้ออกเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยทางโลกนะก็ต้องมีบทลงโทษ<ะ>เช่นว่าถ้าบุคคลที่แต่งเรียนแบบแสวงอันนี้คือคือปลอมบวชอยู่แล้วในทางพระเราก็ไออันนี้อย่าไปยุ่งกับเขาก็คือจบไม่มีการลงโทษนะในทางธรรมวินย<ะ>ัยไม่มีการลงโทษ แต่ในทางกฎหมายบ้านเมืองคุณจะต้องถูกลงโทษเท่านี้เท่าไรถูกปรับเท่าไรถูกจำคุ ก, ก, ท ก, ทกคเท่าไหร่ก็ว่าไปก็คือให้<อ>ทางโลกเนี่ยมาช่วยมีบทลงโทษเพื่ออะไร<อ>เพื่อให้สนับสนุนให้กิจการของทางพุทธศาสนาไปได้อย่างเป็นตน้นนะแต่นีฉันเข้าใจว่าคือเข้าใจว่าในส่วนของศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธองค์จะได้ ได้แสดงเอาไว้รอบครอบหมดแล้วทั้ง ใ, ในส่วนที่เป็นคําสอนและก็ในส่วนที่เป็นวินยัยดังนั้นในส่วนที่เป็นกฎหมายที่มีแนวความคิดที่ว่าไม่เห็นจําเป็นจะต้องมีกฎหมายอันนี้ดิฉันได้ยินบ่อยเลยนะคะอด้วยเหมือนกันใช่แต่เท่ากับว่าในส่วนที่เป็นกฎหมายนั้นเป็นส่วนที่เกินไปจากพระวินยัยจะจัด ก, การได้ถูกไหมคะ ถือเหมือก็บว่าอย่า ง, างที่ท่านบอกว่าคนปลอมมาบวชเป็นพระเนี่ยอือย่างนั้นเนี่ยถือว่าไม่ใช่พระถูกไมคะไม่ได้ไม่ได้ต้องโดยวินัยเพราะไม่ได้เป็นพระไม่เป็นพระถูกต้องทีนี้มันเป็นยังไงคุณยงติ๋วในในหมู่คณะสงฆ์เนี่ยถ้ามีความเข้มแข็งมีความเข้มแข็งสมัครสมานสามัคมคีกันดีแต่พวกคนดีดเนี่ยเข้มแข็งสมัครสมานสามัคคีกันดีเข้าใจกฎระเบียบวินัยเนี่ยไม่มีใครที่จะทำมันตรายได้เลยแต่ไม่จําเป็นต้องพึ่งกฎหมายบ้านเมืองใดๆเลย อันนี้แตมาเห็นด้วยนะว่าถ้ามีความเข้มแข็งรู้กฎระเบียบดีแล้วเนี่ยมันไม่มีใครจะทําอันตรายได้เพราะว่ามันมันมันมั่นใจมากเลยในทใํามะวันนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้หมดแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าเออถ้าไม่แม่นโกฎถ้าแบบยังไม่ไม่สมัครสมานสามัคคีกันมีคนแย่ตรงนี้ก็ไปอย่างนั้นมีคนแย่ตรงนน่นก็ไปทางโน้นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยทําให้บางทีการตัดสินใจอะไรต่างๆก็ไม่ได้เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าเขียนไวในตัวบททีนี้ทำไงอะ่ะพึ่งใครก็พึ่งละ พึ่งพระราชาบ้างพึ่งกฎหมายบ้านเมืองบ้างอะไรเงี้ยค่ะท่านคะทีนี้ดิฉันอยากจะเอากลับมาเข้าส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหนังนิดนะคะว่าถ้าภาพยนต์เนี่ยชื่อว่าอาบัต ด, ดิฉันเห็นทางคนสร้างเนะะี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆเ้าตั้งใจให้เป็นภาพยนต์ที่จะลงศาสนาอือาจจะมีภาพกระเน็นทําผิดแต่ก็จะมีการนําเสนอว่ากรรมที่ทําเนี่ยมาเป็นอย่างใดบ้าง <Okay. S 2> ก็คืออันนี้หลักศาสนาเลยนะคะ เพราไม่ได้พูดว่าถูกลงโทษอย่างไรถูกมคะ <Okay. S 2> ก็ัว่มีจําเป็นอย่างใดที่คณะกรรมการที่ชื่อว่าคณะกรรมการอภาพยนตร์จากสํานักงานพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เนี่ยท่านก็ให้สี่เหตุผลในการแบนภาพยนตร์เรื่องอาบัตินี้นะคะก็มีปรากฏภ า, าพเศษของมึนเมาเน้ใช้ความรุนแรง พูดถึงความสำคัญและเชิงชู้สาวที่ไม่เหมาะสมกับประการที่สี่มีการแสดงไม่เคารพในพระพุทธรูปดิฉันจะถามเป็นความรู้เป็นข้อข้อไปนะคะว่าอย่างกรณีถ้าหากว่าพระผู้ที่เป็นนักบวชเนี่ยในลักษณะของพระหรือเนเศษของเมินเหมาเนะะี้ยค่ะอันนี้นมีความผิดเกิดขึ้นมีความผิดเกิดขึ้นใช่เป็นความผิดแต่ว่าถึงละถึงหน้าต้องละอปัปติละ แน่นอนละทีนี้ของมึนเมาคืออะไระมันก็มีสองกรณีถ้าบอกว่าเสพแล้วเพื่อเป็นยาอันนี้ได้อยู่เะวังบา ง, บา ง, บางโรคบางประเภทเนี่ยกินตัว น, นี้มันต้องดับเบตนาได้อ่าแต่นี้ถ้าไม่เป็นยาแบบเสพเพื่อความเล่นเพื่อความคึกขนองอันนี้เป็นอาบัตแน่นอนต้องความผิดแล้วนะทีนี้พอความผิดแล้วไงความผิดแบบเนี้ยแก้ได้ยังไงวิธีแก้มีไหมมีพระพุทธเจ้าด้วยความกรุณาบอกเอาไว้เคุณก็เลิกซะ แล้วก็บอกกับเพื่อนว่าเอ้ฉันทําผิดแล้วนะฉันจะไม่ทําอีกจบเป็นอย่างนี้ทีนี้มันมงงีในข้อธรรมะเนี่ยนะในในใคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามีคนทําความผิดแล้วเนี่ยหนะ้าที่ของเราคือถ้าเขาไม่ถามเนี่ยเขาไม่ถามสมมุติว่าพระรูปหนึ่งทำความผิดแล้วคุณโยมติ๋วมาถามอาตมาอย่างเงี้ยบอกว่าเอ๊ะท่านไปบูุ์พระรูปนะั้นแต่ทำความผิดอย่างนั้นจริงไหมถ้าไม่ได้ถามนะอาตมาจะไม่พูดเลยนะแต่ถ้าถาม อารมาจะไม่พูดอย่างเหมือนกันแล้วถ้าถามเจาะจงเลยอ่ะวันนั้นวันนั้นแต่เขาทำจริงไหมอารามาจะพูดนิดเดียวอันนี้คือลักษณะของคนที่ควรจะต้องเป็นนะในธรรมะในนี้นะคือคนที่เป็นสัตบุรุษคือคนดีเนี่ยถ้ามีคนมาถามเรื่องความไม่ดีของบุคคลอื่นก็จะไม่เปิดเผยให้ปรากฏแต่ไม่ต้องพูดถึงคนที่ไม่ถามแต่ถ้าถามเฉพาะเจาะจงลงไปเลยอ่ะถามแบบจี้ก็มาจริงนี้ว่าเรียงไม่ได้ก็พูดนิดเดียว แล้วโดยเฉพาะยิ่งในอาบัติที่มันยิ่งหนักขึ้นไปเนี่ยนะในทางพระสงฆ์เช่นอาบัตสังกาทิเศษอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าจะระบุไว้ชัดเจนเลยว่าห้ามบอกห้ามไปเที่ยวพูดนี่ทำอะไรบ้างคะเอ่อเช่นพูดเกี่ยวภาราศีผู้หญิงนะจับต้องกายหญิงค่ะตรงนี้เราจเข้าข้อที่สี่ข้อที่สามที่ภาพยนตร์ถูกแบนอ่าแล้วพูดความสัมพันธ์และเชยงชื่อสาวที่ไม่เหมาะสมค่ะอ่าคือสังกาทิเศษสังกาทิเศตนี่ก็คือลักษณะว่าถ้าภิกษุเนี่ยอย่าเอาไปพูด อย่าไปพูดต่อนี้พระรูปเจ้าจะระบุไว้เลยในวินยัยในพระวินยัย ค, คุณไม่มีหน้าที่คุณอย่ า, อาไปพูดต่อแล้วจะให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ถ้ามีคนถามให้มาตามจากคนนี้คนนี้จะมีหน้าที่บอกเท่านั้นคือใครคะก็คือคนที่สงจะสมมุติขึ้นไงเพราะว่าอาบาัติงานคดิเศษเนี่ยมันต้องใช้มากกว่าหนึ่งคนในการที่จะแก้อาบัติออกจากความผิดนี้อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าค่ายุ่งค่ามดอย่างเงี้ยก็คนเดียวรับทราบแล้วก็จบไป แต่ถ้าเป็นอาบัติท่านที่มันสูงขึ้นมาเช่นสังกาธิเศตมีการพูดเที่ยวพาราสีมีการแต่ต้องกายหญิงอย่างเงี้ยต้องใช้พระ20รูปขึ้นไปทีนี้มันเริ่มมีเป็นหมู่คณะเนี่ยยีรูปมันต้องคุมกันว่าใครเป็นคนพูดใครที่เหลือห้ามพูดห้ามเอาอ ค, ค, ความผิดของคนอื่นไปเที่ยวพูดเล่นเพราะว่าเวลาที่เราเอาความผิดของคนอื่นมาเที่ยวล้อเขาอ่ะการพูดอย่างเงี้ยจะเป็นการที่มีอาบัติอีกข้อหนึ่งก็เรียกทุ้ภาสิตเป็นความผิดอีกเหมือนกันสมมติว่า ถ้าอาตมาเที่ยวเอาความผิดของเพื่อนมาพูดให้โยมติ๋วฟังให้ท่านผู้ฟังฟังอาตมาเองเนี่ยจะเป็นคนผิดค่ะในทางวินัยพระจะเป็นอย่างนี้นะขันข่าวิเศษถ้าเกิดทํำไปแล้วนี่จะมีทางออกอย่างไกลถ้าทางแก้ไขค่ะทางแก้ไขก็คือต้องมีคณะสงฆ์ยี่สิบรูปอย่างน้อยนะมาะรับทราบว่าเฮ้ยผู้นี้เป็นความผิดจริงนะโอเคแล้วก็ ค, คุณก็ต้อง เ, ออเขาเรียกว่ามีการเข้าไปปรับปรุงตัวมีช่วงเวลาให้ทําใจ เราจมาใช้คํานี้ดีกว่านะช่วงเวลาให้ ท, ทําใจอยู่อย่างน้อย6วันช่วงเวลาให้ทําใจเนี่ยหลายๆคนคนหนึ่งก็จะเปรียบเ ท, ทียบว่าติดคุกแต่ก็คือถ้าคุณมีภาษาสูงเท่าไหร่ก็ตามคุณไม่นั่งท้ายแถวน่นก็ต้องกราบพระคนที่บวชแม้แต่วันนั้นนั่งข้างหน้าเณรต้นนั่นเองแตมีใครจะไปอยู่ร่วมชายคาวขาก็ไม่ได้นะฮะไปคลุกคลีกับโม่ต้องอยู่คนเดียวคือเป็นช่วงเวลาให้ทําใจให้พิจารณาความผิดของตัวเองเพราะว่ามันความผิดมากพออย่างน้อย6วันถ้าคุณปกปิดกี่วัน คุณต้องทําใจเท่านั้นวันด้วยนะเพราะว่าความผิดมันฝังอยู่ในใจอ่ะคุณก็จะต้อง<ฆ>อยู่จํานวนเท่าที่วันที่คุณปกปิดในการทําใจตรงนี้แ ล, แล้วก็เพิ่มอีก6วันพอสิ้นสุด6วันนี้ก็ต้องมีคณะสงฆ์อย่างน้อย20ิบรูปมาเพื่อรับรู้ความผิดตรงนี้อ่ผมจะเลิกนะผมจะไม่ทํำนะโอเคทุกท่านรับทราบโอเคจบอย่างเงี้ยแล้วก็ไม<ฆ>่จะไม่มีใครพูดเรื่องนี้กันอีกจะไม่มีใครพูดเรื่องนี้คือจบไป<ฆ>เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ย คือเขาบอกกระบวนการตรงนี้นะเช่นว่าพระไปเสดเมทุนไปกับภรรยาเกา่าสัตย์เดราชานอะพวกนี้เขาจะมีบอกรายละเอียดบอกไว้เพื่ออะไร<ฆ>เพื่อเป็นเคสตัศดีที่ให้เป็นกรณีศึกษาว่าอ๋อมันเป็นอย่งนี้มาแล้วถ้ามีเกิด<ฆ>ขึ้นก็ทําซะแก้ไขซะแก้ไขเสร็จแล้วไงจบแค่นั้นเองอันนี้คือเพ<ฆ>ื่ออ้างอิงใช่เพื่ออ้างอิงอันนี้คือกรณี<ฆ>ที่หนึ่งนะ<ฆ>กรณีที่หนึ่ง<ฆ>ที่กรณีที่เขาบอกว่าทาไมเขาถึงพูดถึงเรื่องอาบัติตรงนี้ เอในกรณีที่สองกรณีที่สอง<ฆ>เนี่ยคือถ้าพูดถึงเรื่องภาพยนตร์เนี่ยนะ<ฆ>คุณยงเตี<ฆ>ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่แบบเช่นพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยที่เขาเป็นของอินเดียก็าตามเนี่ยนะอาตมา<ฆ>ก็ไม่ดูนะเพราะว่ามันเป็น ม, มนการะะละเล่นไงออเป็นการละเล่นซึ่งไม่ว่าจะเป็นทีวีโปรแกรมอละครไม่ว่าจะละครเป็นเนื้อหาดีขนาดไหนก็ตามเนี่ยมันถือว่าเป็นการละเล่นหมด<ฆ>คือเป็นการละเล่น<ฆ>ที่จะ ทำให้เกิดอกุศสธรรมได้เพราะฉะนั้นหนังเนี่ยคือถ้าคุณจะสื่อเรื่องทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทําเป็นอย่างอื่นที่มันไม่ใช่หนังอ่ะเพราะว่าหนังนี่มันเป็นคอนเซ็ป์ว่ามันเป็นการละเล่นไงเขอไม่ทำให้ผ้าดูที่คล้าผมเริ่มรู้เลยครับเพราคงทําให้คราวาสดูค่ะก็คงจะเป็นไงให้ผู้บริโภคกามดูค่ะก็ก็ผู้ที่ไม่ได้รักษาศีลแปดก็ดูได้ไม่มีปัญหานะก็ดูไปท่านกล่าววันนี้หมายความว่า ภา พ, พยนตร์ละครการละเล่นพระสงฆ์เสดไม่ได้เป็นอาบาอัตถถูกไหมคะถูกต้อ ง, ถ, ง, องถูกต้องค่ะอาบัตหนักไหมคะเออปาจิตตีคือ ท, <ป>ทากุศลธรรมให้ตกลวกลงไปปาจิตตีกับสังฆาทิเศษอะไรเบากว่ากันคะจะจะไล่ามาจากที่อาเฉพาะที่แก้ได้นะสังฆาทิเสษเนี่ยหนักที่สุดต้องใช้พระยี่สิบรูปในการที่จะแก้ลองลงมาคือทุลละใจใช้พระรูปเดียว แต่แต่ความผิดมันมันมากกว่าลองลองมาอีกคือปาจิตตีนลองลงมาอีกก็คือทุกตะลองลงมาอีกก็คือทุพพาสิทธิ์ทุภาสิตธินี่คือเกี่ยวกับวาจายอย่างตัวอย่างที่อาตมาว่าเ ง, างี้ยว่าถ้าเอาเรื่องไม่ดีของรุ่นมาเที่ยวพูดเนี่ยอาตมาจะเป็นคนทุพพาสิตธิ์คืออันดับสุดท้าย <arena. S 1> พวก พ, พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยไล่มาตั้งแต่ต่ำกว่าสังกัดที่เศษลงมาตั้งแต่ปาจิตตีทุกกตะแล้วก็ทุภาสิตท์ถุลจัยด้วยเนี่ยอันนี้จะใช้คนเดียวแก้ได้ใช้คนเดียวจาากควมดไ้ อทีนี้ออย่างที่อีกข้อเนึ่ยนะคะว่าทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกห้ามฉายเขาบอกว่ามีการแสดงไม่เคารพในพระพุทธรูปอ๋ออันนี้คงไม่เกี่ยวกับอาบัติไหคะไม่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวคไม่ได้เกี่ยวเราจะมีจ ะ, จะมีอย่างนี้ว่าไม่เคารพเนี่ยลักษณะไหนคือถ้าเป็นสามนเณรหรือพระสงฆ์เอาสามนเณรก่อนสามนเณรเนี่ยถ้าติเตียน พระพุทธเจ้าติเตียนพระตรรมติเตียพระสงฆ์อันนี้สามเณรจะมีความผิดพระภิกษุมีความผิดไหมก็มีเหมือนกันนะใช่มีอยู่ติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไปคบกับพวกเนี้ยก็ไม่ได้แต่ถ้ากรณีของพระสงฆ์นะเป็นนะแต่ถ้าของฆรวาส น, นี่ก็เขาก็รักษาสี่ห้าก็พอแล้วนะค่ะแล้วการใช้ความรุนแรงในสามเณรล่ะคะ เออใช้ความรุนแรงนี่ใช้ความรุนแรงอันนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่โดนแบงอ๋อเอออย่างพระสงฆ์เนี่ยถ้าไป ต, ตีตีด้วยความโกรธตีด้วยความโกรธสมมุติว่าถ้าอาจมาไปตีเนรที่วัดโอ้ยทำไมมันทำงี้วางรองเท้าไม่เสมอกันตีเพี้ยด้วยความโกรธนะด้วยความโกรธนะอันนี้จะมีความผิดระดับปาจิตติสําหรับพระสงฆ์ะนะสําหรับพระสงฆ์ค่ะทีนี้เอ่อก็เวลาล่วงเลยมาเยอะแล้วที่ฉันขอถามคําถามสรุปเลยนะคะว่า การที่จะมีการนำเสนอการทําเหมาะสมและไม่เหมาะสมของสงฆ์โดยเจตนาที่อ้างว่าทําเพื่อให้คนเขารู้ว่าทําถูกเป็นยังไงทําผิดเป็นยังไงเพื่อจะลงพระศาสนานั้นจริงๆแล้วควรทําหรือไม่และถ้าเช่นนั้นควรทําเช่นใดค่ะที่ดทีที่ดีกว่าอถ้าจุดประสงค์เพื่อที่ต้องการจันลงพระศาสนา ถ้าจุประสงค์เพื่อที่ต้องการจันท์ลงศา ส, สนามาต้องย้ำเน้นย้ำตรงนี้นะคืออะไรที่มันจะจันท์ลงศา ส, สนาได้เนี่ยคือให้คนมาศึกษาในคําสอนนะพะพระพุทธเจ้าใช้คํานี้ที่บอกกับท่านพระมากระสปะบอกว่าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยรวมถึงพิษุภิสุนีด้วยล่ะนะในตามะวันในี้้มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดามีความเคารพยำเกรงในพระธรรมมีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์มีความเคารพยำเกรงในศีขามีความเคารพยำเกรงในสขขามาธิ5อย่างเนี่ย จะเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหายของพระสัษธรรมเพราะฉะนั้นสิกขาบทเราเอามาเจาะมันที่ตรงนี้หรือเรื่องพระธรรมก็ไดนะ้ในธรรมะเนี่ยเรามาศึกษามีความเคารพยำเกรงในพระธรรมมีคนแสดงธรรมอยู่ก็ไม่เดินไม่ทำเสียงดังหรือว่าในสิกขาบทอย่างเงี้ยเราทำการศึกษาในสิกขาบทว่าอ๋อธรรมะพริชุทธาตรัพไว้อย่างนี้อย่างนี้เออสนับสนุนให้คนมีการศึกษาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เรามาเห็นด้วยเลยถ้ากระบวนการอะไรที่มันจะทำให้เกิดตรงนี้ให้มีความเคารพยำเกรงใน สิกบดอันนี้จุดหนึ่งนี่ในพระสูตรหนึ่งและเป็นการสรุปตรงนี้นะที่คุณโยมติวถามเนี่ยเราจะต้องมีการเล่าเรียนคําสอนมาถูกทั้งบทพยัญชนะทั้งความหมายนะอันนี้ถ้าเฉพาะกรณีของพิสูจนีนะมีการเอาใจใส่บอกสอนเนื้อความจะได้กลับมาที่ตัวแม่บทได้เนื้อหาที่นําเสนอคุณต้องกลับมาที่ตัวแม่บทว่าแม่บทเป็นอย่างนี้อย่างงีนะ้อันนี้ก็ถึงจะดีนะแล้วก็ ภิกษุเองตัวพระเองก็ต้องทําเป็นตัวอย่างที่ดีแตพระพุทธเจ้าพูดถึงประเด็นนี้อยู่ว่าพู้ภิกษุผู้เทระเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีกับภิกษุใหม่เพราะงั้นการนำเสนอตัวอย่างที่ดีอันนี้มันก็ดีแล้ว่ากับว่าท่านกําลังจะบอกว่าหากมีเจตนาที่จะจะลงพระศาสนาในทิศทางที่สมควรจะทําเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานั้นคือการที่ศึกษาในคําสอนแล้วก็ประกาศธรรมอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคะ ใจศึกษาในคาสอนให้กลับมาที่ตัวแม่บทแล้วก็สามเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งกันและกันค่ะดิฉันก็เข้าใจคนที่ทำงานนะคะก็อาจจะมองในมุมของคนที่อยู่ในสังคมว่าเอ๊กก็ข้อเท็จจริงนะคะเขายังมีการพบเห็นคนที่เป็นกะเนี่ยนะคะหรือจะแต่งกายแบบกะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และบางทีสังคมขาดความรู้ก็จึงต้องมาชี้ให้สังคมเห็นอันนี้ก็อาจจะด้วยเจตนาที่ไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่ว่าจะเหมาะสมหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่เวลาเราจะทำอะไรมันก็ต้องคำนึงถึงบริบทของสังคมด้วย yeah, <but> และรายการของเราก็จะไม่ไปสรุปหรอกนะคะเพราะว่าเราถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณของทุกๆคนแต่สิ่งที่เรา นํามาเสดอเป็นประเด็นที่สาคัญคือต้องการจะทําให้ท่านทั้งหลายนั้นได้รู้จักคําว่าอาบัตในฐานที่ถูกต้องอาบัตของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายความว่าอย่างไดมากขึ้นแล้วคิดว่าวันนี้อาจจะรู้ไม่ทั้งหมดหรอกแต่ก็พอรู้ในสาระที่สําคัญแล้วจากนักสการขอบพระคุณท่านทวยบุญเอย่างยิ่งนะคะเจ้าอาาลนักสการค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะเนี่ยค่ะคนจริงคนไทยใกล้พระพุทธศาสนามาก ในฐานะที่เราจะได้ว่าเป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่าความรู้ความเข้าใจนั้นเชื่อว่ายัางคงต้องเรียนรู้กันอีกมากพอสมควรเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้อยู่กับของดีของล้ำค่าอย่างรู้ค่าแล้วก็จะลงคุณค่านั้นเอาไว้ให้ถูกต้องค่ะวันนี้ก็ได้เวลาที่จะลากันแล้วนะคะรายการสัมนาสัมนทาสัมสนาหน้าพงเชิญท่านมาฟังรายการ นี้กันได้ใหม่ในกระทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106ที่มีพระมหาเพลิงบุญอภิษฎุโนวัดป่าดอนหายสูดรนานีที่นั่นก็นมาจะมีการทอดกระถินในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะคะถ้าต้องการจะขึ้นไปอทอดกระถินก็ไปให้พันเช้าตรู่ของที่นั่นกันนะคะไปสะดวกค่ะนั่งเครื่องบินไปก็ได้นั่งรถไปก็ได้ที่อําเภอหนองหานค่ะนี่ลาไปแต่เทียนเท่านี้นะคะ พุทธคุสวัสดีค่ะ